บทภาชนี492ลาบที่เขาน้อมไว้แล้วภิกษุสําคัญว่าเขาน้อมไว้แล้วน้อมไปเพื่อบุคคลต้องอบัตตาจิตตีลาบที่เขาน้อมไว้แล้วภิกษุไม่แน่ใจน้อมไปเพื่อบุคคลต้องอบัติทุกกดลาบที่เขาน้อมไว้แล้วภิกษุสําคัญว่าเขาไม่ได้น้อมไว้แล้วน้อมไปเพื่อบุคคลไม่เป็นอบัติลาบที่เขาน้อมไว้เพื่อสงภิกษุน้อมไปเพื่อสงหมู่อื่นหรือเพื่อเจดีต้องอบัติทุกกด ลาบที่เขาน้อมไว้เพื่อเจดียภิกษุน้อมไปเพื่อเจดีอื่นเพื่อสงฆ์หรือเพื่อบุคคลต้องอบัตทุกกฎลาบที่เขาน้อมไว้เพื่อบุคคลภิกษุน้อมไปเพื่อบุคคลอื่นเพื่อสงฆ์หรือเพื่อเจดีต้องอบัตทุกกฎลาบที่เขายังไม่ได้น้อมไว้ภิกษุสำคัญว่าเขาน้อมไว้ต้องอบัติทุกกฎลาบที่เขายังไม่ได้น้อมไว้ภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎลาบที่เขายังไม่ได้น้อมไว้ภิกษุสำคัญว่าเขายังไม่ได้น้อมไว้ไม่ต้องอบัติ